ยาวๆหายใจออกหายใจเข้าเจ็ดครั้งยาวๆหายใจสั้นเจ็ดครั้งนอกนั้นปกติหายใจยาวเจ็ดครั้งหายใจสั้นเจ็ดครั้งนอกนั้นก็ปกติ หายใจก้าวยาวหายใจออกยาวไม่ใจกูดังนั้นไม่ใจกูดังนั้น หายใจสั้นเจ็ดครั้งหายใจเข้าหายใจออกเจ็ดครั้งหายใจยาวเจ็ดครั้งนอกนั้นก็หายใจปกติแล้วก็ภาวนาว่าไม่ใจ่กูไม่ใช่ก้จะเริญพอ โยมจีทุกท่านคนก็ตกก็ดีแล้วคนตกก็ดีแล้วคนแรงก็ดีแล้วอะไรก็มันดีแล้วไปหมดดีแล้วที่ตรงไหนคนตกโยมจีก็ไม่ต้องลดดีปรีคนไม่ตกลืมรถเดี๋ยวก็ตาย ดีทางนั้นไม่บันดีทางนั้นพออายุแปดสิบเสียงก็กรอแกร์กรอแกรทีนี้ไม่ตัวเล็กนี่มันเสียงมันออกข้างนอกมากกว่าเพราะไม่มันตัวเล็กถ้าให้ดีก็ต้องกลืนก็ไป จา ก, กลิ่งกอจมนจะได้แต่ทมอยตัวใหญ่แล้วก็ติดอ้นนั้นมันด้วยรอบรอบข้างมันดีกว่าอ่าเรื่องที่จะพูด <c oughs> ก็คือ กำลังเรื่องกำลังกำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญาไม่มีสามกำลังฉะนั้นกำลังเราต้องเคลื่อนไหวถ้าเราไม่เคลื่อนไหวเราก็ไม่ค่อยมีกำลังกาย นั่นการปฏิบัติธรรมการทำงานคือการปฏิบัติธรรมก็อาศัยการเคลื่อนไหวนะ่อย่างของอาจารย์แป้นยกมือยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงของอาจารย์แป้นกอาจารย์แป้นหรืออาจารย์อะไรก็ไม่รู้เสียชีวิตไปแล้ว มาทีนี้เราอาศัยการเคลื่อนไหวเราเดินก็เคลื่อนไหวเรานั่งมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างลมหายใจเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวทุก <c oughs> ส่วนของร่างกายเราภาวนาได้หมดเรายนืนอะไรมันเคลื่อนไหวลมหายใจมันเคลื่อนไหวเรานั่ง อะไรเคลื่อนไหวลมหายใจเคลื่อนไหวเราเดินเท้าเดินเคลื่อนไหวแล้วเราเอาที่ความเคลื่อนไหวนี่เราจับที่ความเคลื่อนไหวทีนี้ในการภาวนาเหมือนเดิมไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูเอาที่ความเคลื่อนไหวทีนี้ถ้าเรา พอน่าไม่ใจกูเราอาจจะเปลี่ยนหายใจว่างว่างหายใจเข้าว่างว่างหายใจออกว่างว่างจะหายใจช้นหรือหายใจยาวเราก็ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างคนที่มีกำลังกายมากก็สามารถที่จะกลั้นลมได้มากคนที่มีลําลัง กําลังกายน้อยตอกลั้นลมได้น้อยน้อยทีนี้เราออกกําลังกายนะอย่างเราทำงานอย่างนี้มันจะบึกบึนมันจะบึกบึนมันจะหายใจข้าหายใจออกมันก็จะคล่องมันจะคล่องอย่างพวกนักกีฬาที่ยกน้ำหนัก มันตัวรูดลม้าไฟมากมากแล้วทําให้มันเพิ่มพลังเพิ่มพลังไอนี่ถ้ามันเหนื่อยสังเกตดูเลยถ้ามันเหนื่อยหายใจเข้าหายใจออกรู้ซารู้ซ่าสู้ซ่ า, า, ามันสั้นดั้งนั้นมันสั้นมันไม่มีแรงไม่มีแรงยกไม่มีแรงเหวี่ยงอย่างนั้น ถ้าเราปกตินั่นสาหรับดูจิตปกติหายใจเข้าว่างๆหายใจออกว่างๆเราก็ว่างๆเาไว้ว่างๆเอกไเพราะเราต้องการลมที่ละเอียดต้องการหายใจที่มันละเอียดอย่างนั้นการละเอียดนั่นคือปัญญาเราใช้ปัญญาจนต่อไปเราก็ ลืมลมหายใจเลยไม่รู้หายใจอยู่หรือเปล่าตอนนี้นั่นคือมันเป็นสมาธิแล้วนี้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือพลังพลังกายอาศัยอาหารอาศัยลมหายใจพลังจิตหายใจเหมือนกันหายใจเข้าหายใจออกจนพลังนั้นมันตกผลึก เป็นสมาธิแต่ว่าหายใจอยู่เหมือนเดิมเราภาว น, า, นาพลังกายพลังจิตพลังจิตพลังกายมันผลิตพลังจิตขึ้นมาต่อไปพลังจิตก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็พิจารณาพลังปัญญาเกิดพลังกายพลังจิตพลังปัญญา เอาทีนี้พลังปัญญาที่จะเราที่เราจะเอามาใช้ก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ดับทุกพลังปัญญาแก้ปัญหาแล้วก็ดับทุกดับทุกทีนี้เราเอาเรื่องว่างกันเรื่องว่างกายว่างกายว่างจิตว่าง ปัญญาเห็นความว่างเลิกความยึดมั่นถือมันนั่นคือพลังปัญญาให้ความว่างความว่างเช่นว่าเราพิจารณาว่าโลกนี้เรยว่าตาว่างหูว่างจมูกว่างเล่นว่างกายว่างใจว่างเราดูที่ตาว่างก่อนตาว่าง มันมีตามีประสาทตามีความรู้สึกทางตาเราเพ่งออกไปเพ่งออกไปที่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นดอกไม้อย่างนี้ดอกไม้ก็สิ่งที่เราชอบดอกกุหลาบที่มันหอมที่มันสวยสีแดงหรือสีชมพู แล้วเรามองมองมองมองเพ่งเพ่งพ่งพ่งเพเรานั่งเพ่งอยู่อย่างนั้นนั่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่เพ่งเพ่ดสีแดงมันมาจากไหนสีแดงมันมาจากไหนความหอมมันมาจากไหนนี่เรานั่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพเพ่งจนสีแดงนั้นตอนที่ มันยังดอกยังตูมๆ ม, มันก็ยังไม่แดงพอมันเริ่มบานมันก็ค่อยๆแดงแดงยินบานแล้วบานถึงที่สุดเอาเพ่งมันบานถึงที่สุดมันสวยเราวยเราก็นั่งเพ่งอยู่นั้นอดีตที่ผ่านมามันเป็นยังไง ลักษณะของมันดอกตูมเป็นยังไงบอกดอกเริ่มแย้มเป็นยังไงดอกบานถึงที่สุดเป็นยังไงบานแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นในเอานั่งเพง่งเพง่งเพง่งเพง่งเพง่งเพง่เพงอย่างนั้นแล้วก็มาดูทีนี้พอเราเพ่งดอกกุหลาบแ ล, แล้วก็มาดูร่างกายของเราดูที่ร่างกายอีตอนพวกเรานี่ ะที่เป็นโยมชีนี่ที่เราอายุสิบห้าสิบหกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสิบเจ็ดเป็นอย่างนั้นสิบแปดเป็นอย่างนั้นยี่สิบห้าเป็นอย่างนั้นสามสิบเป็นอย่างนั้นสามสิบห้าเป็นอย่างนั้นโอ้นี่นี่เริ่มแล้วนั่นนั่นดอกกุหลาบนั่นดอกกุหลาบเราก็คือดอกกุหลาบดอกกุหลาบก็คือเรานี่เห็นไหมเราเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่ง จนเกิดปัญญาขึ้นมาเขเกิดปัญญาอ๋อนี่ลักษณะลักษณะแห่งดอกไม้ลักษณะ แ, แห่งร่างกายอลักษณะเองการเห็นด้วยปัญญาอานิจจังความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่นั่นแหละคือความไม่เที่ยงแล้วเราก็ ชอบอะไรเราก็เพ่งแต่เราเกลียดอะไรเราก็เพ่งเราก็เพ่งมันเพ่งมันมันทำให้เราเพ่งได้ทั้งนั้นเพ่งได้ทั้งนั้นเลยคือความเปลี่ยนแปลงของลักษณะมันดอกไม้ที่ยังตูมๆอยู่ก็เรื่องหนึ่งดอกไม้ที่เริ่มจะพลีบานก็เรื่องหนึ่งดอกไม้ที่บานทั้งหมดก็เรื่องหนึ่งดอกไม้ที่บานแล้วก็เรื่องหนึ่ง ดอกไม้ที่มันโรยก็เรื่องหนึ่งเห็นไหมนันคนละเรื่องคนละเรื่องละเรื่องแต่มันอยู่ในดอกไม้ดอกเดียวนั้นเนีเราก็อยู่ในดอกไม้ดอกเดียวนั่นแหละเห็นไหมนี่เราเพ่งเพงเพงใช้สมาธิแล้วต่อไปใช้ปัญญาใช้ปัญญาในการเพ่งเพ่งเพ่งเพงเพ่งเพ่งเพ่งใช้ปัญญาเพ่งแล้วเราก็ อนิจจังอนัตตาอานิจจังอนัตตานี่พิจารณาว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงเป็นยังไงอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเป็นยังไงดูความไม่มีตัวตนดูความไม่เที่ยงของสัพพสิ่งทั้งหมดเลยทีนี้ดูความไม่ไม่ใช่ตัวตนแต่ที่เราเป็นทุกข์ ถ้าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างมีตัวตนแต่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามวัตจักรของมันนี่ขนที่ตกนี่มาจากอะไรเพราะเมฆเพราะไอ้น้าน้ำในคลองในหนองในบึงนี่ระเหยเป็นไอไอเป็นเมฆกากลุ่มกันก้าวกากลุ่มกันก้าว ถ้าความเหมาะสมไม่มีมันก็ไม่ตกม็ต้องมีความชื้นข้างร่างด้วยคือป่าไม้อะไรเนี่ยต้องมีความชื้นแล้วเมฆผ่านมามันพร้อมที่จะดึงดูดก้าวหากันทำให้เหมาะสมก็ทำให้เป็นฝนฝนตกลงมาก็เป็นน้ำน้ำก็เป็นไอไอก็เป็นเมฆเมฆก็เป็นฝนเราไม่ต้องเพ่งก็ได้ เราก็รู้ไม่ต้องเพงแต่ดอกไม้สิ่งที่เราชอบเนี่ยเราต้องเพ่งแล้วก็จะเห็นเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกันเป็นยังไงลักษณะลักษณะที่มันว่างจากตัวตนทุกอย่างมีลักษณะเองความว่างจากตัวตนเพราะการไหลของมันน่ะว่างจากตัวตนเอาทีนี้ เราก็นี่เรียกว่าใช้พลังพลังกายใจยกของใช้ทำงานใ้เดินใช้ออกกําลังกายเราก็จะได้กําลังกายแต่ถ้ามีแต่นอนนอนนอนนอนนอนอย่างเดียวนับรองว่าพองแน่นอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนไม่มีเรี่ยวมีแรงถ้าเราไม่ได้ออกแรง การออกแรงร่างกายก็จะกลับมาไอ้แรงจะกลับคืนมาแล้วทให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกําลังจิตหรือกำลังสมาธิน่ะกำลังสมาธิหรือกําลังจิตนี่แหละกำลังจิตนกําลังจิตจิตก็ต้องออกกําลังด้วยรู้จักคิดรูด้จักวิจยัยรู้จักพิจารณากําลังจิต ที่นี่กำลังจิตจะเกิดขึ้นได้อาศัยสมาธิอาศัยสมาธิเราทําสมาธิก็จะเกิดกำลังจิตขึ้นมาจะเกิดได้ยังไงเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆเรืยๆรื่อยๆจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดภาวนาเรื่อยอยู่ในอิรยาบไหน ภาวนาเรื่อยไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูเรื่อยไม่ใจกูถ้าฝนที่ตกนี่เป็นกูมันก็ต้องเป็นเมฆอยู่นั้นแหละไม่ตกเพอเป็นเมฆแล้วมันต้องเป็นฝนเป็นฝนมันก็ต้องเป็นน้ําเป็นน้ํามันก็ต้องเป็นไอเป็นไอก็ต้องเป็นเมฆนี่มันอยู่อย่างนั้นนี่มันหมุนเวียนนี่ถ้าเราใช้ พลังจิตทีนี้พลังจิตของเราที่เราเพื่อเราก็ทําให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปก็เราก็พิจารณาก็เกิดพลังจิตขึ้นมาเราก็พิจารณาพิจารณาพิจารณาไอ้ขวดนี่มันคืออะไรโอ้มันน้ําดีดีนี่เองอีมะเนี่ยมันคือแล้วเหมือนก็คือน้ําดีดีนี่เองน้ําทางนั้นในยุโรป ฝนตกบ้างแต่ไม่มากเหมือนบ้านเราแต่มันก็มีทะเลมีทะเลสาบมีทะเลสาบทะเลสาบน้อยๆทะเลสาบใหญ่ๆแต่ไม่กว้างขวางเพราะน้ําที่น้ํำฝนที่เป็นอิมะเน่มันละลายแล้วทําให้เกิดทะเลสาบขึ้นมาน้ําก็เขียวเขียวเพราะน้ํามันใสนี่เป็นยังไง นี่ฝนไม่ตกแต่ว่าธรรมชาติมันทําให้หนาวจัดแล้วก็มีหิมะมีหิมะหิมะกระเหยเป็นอ้อยอ้อยเป็นน้ําน้ําเป็นเมฆเมฆก็มากระทบทำให้เกิดเป็นเป็ดเป็นอะไรขึ้นมาเป็นหิมะมันธรรมชาติทางนั้นไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่ธรรมชาติทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนธรรมชาติ ธรรมชาติจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนไหมเราก็เปลี่ยนถ้าเราก็ธรรมชาติอ่ามีต้องใช้กําลังกายกําลังจิตกําลังปัญญาเนี่ยเราต้องใช้กําลังปัญญาแล้วถ้าเราใช้กําลังปัญญามันก็เหมือนกันหมดตกลงทุกอย่างเหมือนกันหมดอ่าพอมันผลิตขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน ลักษณะมันก็เปลี่ยนตาตางมันก็เปลี่ยนอะมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทางนั้นเลยไี่ได้เปลี่ยนทางนั้นเลยทีนี้กำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญาต่อสมาธิมากข้าวมากข้าวมากข้าวมากข้าวอ๋อมาธิมากข้าวแล้วก็พลิศให้เป็นปัญญาให้เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง ไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเลื่อยไหลเลืเล่อ ย, ยความแก่เนะี่ยคือมันไหลเรื่อยความเจ็บมันก็ไหลเรื่อยความปวดก็ไหลเรื่อยความตายก็ไหลเรื่อยตายแล้วก็ไหลเลืเล่อยไหลเลื่อยไหลเลื่อยมันมีแต่ไหลเรื่อยไหลเรื <i> ่อยทั้งนั้นเอาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เลยนี่ฉะนั้นเราอย่าก้าไปหลงในร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนสัปสิมทั้งหมดก็ไม่ใช่ตัวตน มันมีแต่ทิ้งที่ไม่ใจตัวตนทางนั้นเลยไม่ใช่ตัวตนแล้วมันเป็นอะไรเพราะมันมีแต่ไหลมันมีแต่ไหลไหลไหลไหลไหลไหลมีแต่ไหลอย่างนั้นมีแต่ไหลอย่างนั้นนั่นแหละคืออนิจจังแล้วก็ทุกขังอยา่าเก้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอันขาด เ, เรากล้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะเราไม่รู้เราติดสาร้รู้ให้รู้จักอย่างหนึ่งให้รู้จักอย่างหนึ่ง ก็เหมือนกันหมดรูปสักอย่างแล้วก็เหมือนกันหมดรูปอนิจจังของดอกไม้ของใบไม้ของเมล็ดข้าวเปลือกของเมล็ดข้าวสารมันจะอยู่ในขั้นตอนไหนก็ตามใจแต่มันไหลเรื่อยไหลเลื่อยไหลเรื่อยเลื่อยเห็นความไหลของสรรพสิ่งอ๋อยึดมั่นถือมั่นไม่ได้โอ้ยเห็นร่างกายของเรานี่มัน เป็นยังไงมันไหลไปไหลไปไหลไปจากเด็กทารกเป็นเด็กที่วัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวมันไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไม่มีอะไรคงที่เลยมันไหลจนเป็นปกติแต่ว่าเราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ศึกษา ศึกษาแล้วก็งูงูปลาปลาแค่แคนั้นเองเราไม่ย้ำให้มันเข้าไปในใจย้ำก็ไปในใจเราฟังฟังเราก็รู้แล้วนั่นเกิดเรียกว่าปัญญาแล้วแต่ปัญญาที่เกิดจากการฟังมันยังหยาบหยาบปัญญาที่เกิดจากการฟังมันยังหยาบอยู่เราก็ต้องเอาไปวิจัยเอง กินตามยปัญญาเราต้องเอาไปคิดดูแล้วเอาไปคิดสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่เราเกลียดนี่คืออะไรดอกไม้ดอกเดียวกันมีทั้งชอบมีทั้งเกลียดทำไมเป็นอย่างนั้นตอนที่สวยมันหอมเราก็ชอบพ อ, อมันเริ่มที่จะเหี่ยวแห้งใจในแจกกัน ลงไปในน้ำที่อยู่ในแจกันแสดงอาการเหม็นออกมาเลยนี่เห็นไหมเราเกลียดมันมีครบทุกอย่างในนั้นของที่เราเกลียดก็เพราะเรายึดมั่นถือมันของที่เราชอบก็เพราะเรายึดมั่นถือมันของที่สวยเราก็ยึดมั่นถือมันของที่ไม่สวยไม่งามเราก็ไม่ยึดมั่นถือมันมันทั้งสองอย่างนั่นใช้พลังทางนั้นเลย ใช้พลังจิตทางนั้นแต่พลังจิตที่มีพลังไม่พอก็ต้องใช้พิจารณาใช้พลังในพิจารณาในความสวยในความหอมในความเหล่าในความงามมันอยู่ด้วยกันทางนั้นทุกอย่างมันอยู่ด้วยกันทางนั้นเลยมันมีไม่ใช่สองด้านมันมีหลายด้านมีหลายด้านเราต้อง พิจารณาใช้ปัญญาที่บริสุทธิ์ถ้าเราใช้ปัญญาไม่บริสุทธิ์ไอ้ดอกไม้สวยดอกไม้พลาสติกก็ดสวยทั้งปีแหละอืแต mm. ่าไม่หอมถ้าไม่หอมก็ได้มันก็ฉีดน้ําหอมใส่ก็ปล่อยเนืจะให้วัสดุเป็นน้าหอมใส่ก็ปล่อยตั้งแต่ผลิตมันก็หอมได้เห็น mm. hey. ไหมการนั้นไม่มีอะไรจริง ไม่มีอะไรจริงในโลกนี้ไม่มีอะไรจริงเลยมีแต่อานิจจังสิ่งที่เป็นอานิจจังมันไม่เที่ยงแต่เรามันผิดกันเราข้าไปยึดมันม่นถนะื อ, อมั่น่ะทุกอย่างเที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยงทุกอย่างเที่ยงหมดเห็นทุกอย่างเที่ยงหมดอันนั้นก็มีจริงอันนี้ก็จริงอันนน้นก็จริงไม่ใช่จริงไม่ใช่จริงพอเอาปัญญามาพิสูจน์แล้ว เป็นยังไงมันไม่จริงสิ่งที่จริงที่สุดพระพุทธเจ้าจ ะ, จะรู้อริยรสัจสัจจะคือความจริงอริยะคือประเสริฐความจริงประเสริฐที่สุดความจริงที่ประเสริฐที่สุดคืออะไรอริยสัจคืออะไรความจริงที่ประเสริฐที่สุดทุกงาทุกนี่คือความจริง รับรองเลยว่าทุกคนมีความทุกข Th ์ทางนั hmm. ้นทุกเพราะอะไรเพเรากข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันนี่แหละทุกคือความจริงเหตุได้เกิดทุกเพราะเรากข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็คือความจริงนั่นความจริงที่ทําให้เรามีความทุกความจริงที่มันที่มันไม่จริงนั่นแหละที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นความจริงที่มันเปลี่ยนอยู่อย่างนั้น อยู่ในตัวเราก็มีอยู่ที่คนอื่นก็มีอยู่ที่สิ่งอื่นก็มีอความจริงที่มันเปลี่ยน <P> เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแหมลูกหมาเดือนที่ผ่านมาหน้าเหมือนกับพ่อเลยสวยสวยสวยสวยทุกตัวพอเดือนกว่าๆเนี wa, ้ยสวยทุกตัวเลยร้องเดือนก็ยัยางสวยอยู่ยังงามอยู่ตัวผู้ตัวเมียแอ้ต่อไปมันกค่อ ย, อ ย, อยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลีน่น ปีสองปีสามปีห้าปีโออันนี้มันแก่แล้วเว้ยนี่มันเปลี่ยนเปลียนไปมันอย ium, Fo ai, mushroom, LIAM, h, ู come, ่ในนั้นหมดอ่ะอยู <toujours>. ่ในที่เดียวมันที่เดียวหมดในลูกของเราถ้าใครมีลูกมีหลานนี่โอ้ยตอนที่นอนแบรบ่่อยู่ก็มือตีนก็ควายควายควายแข่งแขงไปแว่งมาพอโตขึ้นมายิ้มได้พอยิ้มได้เริ่มเดินได้ออะไรได้โอ้น่ารักน่ารักน่ารัก ด e? ังนั้นเนี Maybe, like you, mm ันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเราพอใจในการเปลี่ยนพอใจในการเปลี่ยนเราคิดว่าจริงคิดว่าของจริงอ้าวพออยู่มาอยู่มาเป็นยังไงมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนหมดร่างกายมันก็เปลี่ยนแต่ถ้าหากว่าจิตมันพ่อแม่ไม่ได้อบรมมันก็เปลี่ยนกันเปลี่ยนเหมือนกันถ้าเราอบรมไปในทางที่ดีแม้ตัวเราเองแม้ตัวเราเองหนึ่ง ถ้าเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีในทางไม่ยึดมั่นถือมัน่นมันก็ไม่ทุกข์ถ้าเราเปลี่ยนในเรื่องของความอยากอยากสวยอยากรวยอยากมีนั้นมีนี่มีโ น, น้นนั่นอาวิชาแต่ถ้าเปลี่ยนไปในทางปัญญาค่อยให้มีสติให้มีปัญญาขก้นมารู้แจกแยกรู้จักแยกเห็นไหมมันก็เลยไม่ยึดมั่นถือมัน่น ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอย่างนั้นนี่เปลี่ยนนะมันมีปัญญาอย่ามันมีความโง่ถ้ามันมีความโง่อะไรก็ยึดมั่นถือมั่นหมดแต่ถ้ามันมีปัญญาไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นมันเปลี่ยนที่ตรงนี้แังนั้นเรานี่จิตนี่เปลี่ยนได้จิตเรานี่เรเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีอคิดดีพูดดีทำดี รู้ดีอะไรดีปฏิบัติดีแต่แล้วดีนี่คือดีที่ไม่ทุกข์แต่ถ้าดีที่ยึดมั่นถือมั่นทุกข์แน่ทุกข์แน่มันมีความทุกข์แน่ถ้าเปลี่ยนไปในทางยึดมั่นถือมั่นเอเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเปลี่ยนตามกิเลสตัณหากลนรถเครื่องมันก็เปลี่ยนทุกเดือนทุกเดือน รถยนต์มันก็เปลี่ยนทุกเดือนอะไรมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทีนี้คนนี่ชอบของใหม่ใหม้องใหม่ใหมเก่าๆไม่ชอบแล้วไม่ชอบแล้วชอบของที่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่แต่จิตนี่เป็นยังไงจิตมันก็เปลี่ยนดี่จิตนก็เปลี่ยนด้วยถ้าเราขาดปัญญาเนี่ยมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปถ้าเรามีปัญญาเอออันนี้มันเปลี่ยน อันนี้มันเปลี่ยนอันนี้มันเปลี่ยนอย่าไปเอามนเลยอย่าไปเอาเลยเอาเอาี o d y body body พ อ, พ อ, พ อ, พอไม่ต้องไปเปลี่ยนตามสังคมเห็นไหมทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนอยู่เรามีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์เรามีความทุกข์ เ, เกิด เ, เ, เกิดมาทำไมเนีเ่ยถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทุกข์นี่เกิดมาทำไมเนี่ยคือพลังปัญญามันไม่พอ อันเรามาปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดพลังปัญญาพลังกายธรรมดาพลังจิตฌานพลังจิตเนี่ยคือได้ฌานแต่ขึ้นปัญญาไม่เป็นขึ้นปัญญาไม่เป็นก็เลยได้แต่ฌานได้แต่ฌานนั่งเลยก็สงบนั่งเลยก็สงบนั่งเลยก็สงบติดความสงบต้องยกฌานนั่นแหละขึ้นถูปัญญา คือพิจารณาว่าอัานนี่อนิจจังในความเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ถ้ามันเปลี่ยนอย่างนั้นก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันดีอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันดีมันก็เปลี่ยนไปตามเรื่องตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละเพราะกฎของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่นี่คือกฎของธรมงธรมชาติเนื่งธรรมชาติธรรมชาติไม่ยกเว้นอะไรทางนั้น ที่คุณนิดเดียวก็เป็นธรรมชาติใบไม้แห้งก็เป็นธรรมชาติใบไม้สดก็เป็นธรรมชาติดอกไม้ก็เป็นธรรมชาติผลไม้ก็เป็นธรรมชาติอะไรทุกอย่างที่มันเป็นธรรมชาติคือเปลี่ยนก็ามันเปลี่ยนธรรมชาติมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามกฎธรรมชาติมันมีกฎของมันเองอนิย์จางาวกล้วยวันนี้ พอถวายมายัางไม่สจบแก่ลูกปีลูกคนเหลืองมั่งเขียวมั่งพวกนี้อั น, นิจจังก็ยิ่งปรากฏขึ้นมาอีกอ้าวนี่มันเหลียยมันเหลืองหมดแล้วตปผลไม้ที่มีลูกสีแดงแดงพอมันเปลี่ยนเๆๆียนเปลียนเปนเป น, เปนหมดโอกาสหมดเวลาดำเลยก้างน้อยกนเน่าเลย ไม่สามารถที่จะกินได้ที่จะทานได้มันเปลี่ยนทางนั้นไม่มีอะไรเลยม่นจะเปลี่ยนโลกนี้โลกนี้มีแต่ความเปลี่ยนอ น, นิจจังนั่นคือกฎของธรรมชาติทุกขังด่าข้าไปิกมั่นถือมั่นมันอนัตตาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนเราใส่กีวรเราใส่เสื้อผ้า เดี๋ยวก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำบ้านเจ็ดดาวเลยนี่แล้วก็เปื่อยยุ้ยไปเป็นอะไรอยู่ก็เป็นดินต่อไปจะเปลี่ยนเปลี่ยนเว้นเปลี่ยนไม่หยุดเปลี่ยนไม่หยุดให้เราไม่เหนื่อยมั้งนะลองคิดดูดิก่อนที่จะชอบชื่อชื้อชื้อชื้อเคยชอบเปลี่ยนชอบเปลี่ยนแต่ถ้ามันยังใช้ได้อยู่อะไรอยู่ ก็ใช้มันไปเถอะไม่เป็นไรพ่อก้าไม่สามารถที่จะหลอกเราได้ถึงมันเปลี่ยนยังไงเนี่ยหลวงพ่อนี่ทีวอนก็ใช้ไปอ่อเปิ้นที่มันหนาหนาก็ออกไปเมืองนอกเมืองนาดีเวลาหนาวตั้งหม่มตั้งอะไรเนี่ยมันดีเนี่ยแม้แต่ว่าขาดแล้วก็ยังใช้ให้โยมก็ป่าให้อะไรห้ เราตองรักมันมากๆเพราะว่ามันมันเป็นเพื่อนของเราให้เราก็ใช้งานมันได้คุ้มค่านี่เรียกว่าตรงใช้มันคุ้มค่า้ทุกอย่างมันเปลี่ยนทางนั้นเปลี่ยนทางนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันเรามีแหวนเพชรมีทุ่มหูเพชรพอใจมันนานนานเข้าจักจะเบื่ออีกแล้วเบื่ออีกแล้ว แต่ตามที่จริงนะมันก็ก้อนหินเหมือนกันนั่นแหละก้อนหินเหมือนกันเราไปซื้อโอ้พ่อก้าวเพชรแม่ก้าวเพชรเชียร์หน่อยกันยาวคือเลยนั่นนี่ดีอย่างนี้นี่อย่างนั้นนี่อย่างโน้นนี่ใส่แล้วจะทําให้มีกําลังจะทําให้มีความสวยงามตุ้มหูอย่างนี้ข้าวกันแล้วกับหน้าของคุณโอ้พนห่ากันไปอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมไอกองเชียร์เนี่ยอย่างนั้นนะ ไอ้ตามที่จริงก้อนหินชัดๆเลยก้อนเป็นยังไงก้อนหินเนี่ก้อนหินพิเศษเพราะว่ามันดูดพลังพลังแสงของอาทิตยนะ์มันดูดเป็นร้อยปีเป็นพันปีเป็นล้านปีมันจึงมีแสงทุก ส, ทกสีทุกแสงอยู่ในเพชรเม็ดเดียวนั้นแล้วก็เป็นสีอะไรต่อสีอะไรนี่สี เขียวสีเหลืองสีน้ำเงินสีน้ำโอ้ยสีน้ำตาลทรายอะไรก็ไม่รู้นี่แต่แล้วก็คือหินชัดๆนี่แหละที่มันรับเอาแสงอาทิตย์ถ้ า, าไปอยู่ในมันหมดเลยเราก็เลยหลงหลงหลงหลงหลงหลงหล ง, ลงมีเพชรจักกอบหนึ่งจะเอามาวางไว้ข้างหน้าไอ้นี้ก็อย่างนั้นไอ้นั้นก็อย่างโน้น มีพรอยพลอยสีน้ำเงินสีน้ำอ้อยสีอะไรก็ว่ากันแต่หลวงพ่อดูแล้วมันหินทางนั้นนี่เพราะธรรมชาติมันสร้างสรรมาแอ่เราก็หลงแอ้เราเองก็ธรรมชาติไอ้เราก็หลงตัวเราเองหลงเพชรหลงนินหลงจินดาหลงอะไรตัวอะไรนี่ลืมดูตัวเองเสร็จแล้วก็หลง รองทีนี้เอาทองมาห้อยคอเอาเพชรมาสวมนิ้วไอ้ที่คอถ้าเอาเนื้อเอาหนังออกหมดเหลือแต่กระดูกนี่ผีจัดๆเลยเอาทองตีดจี้ด้วยเพชรเอามาใส่ที่ข้อมือเอาเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูก พีชัดๆเหมือนกันนี่เราลืมดูข้างน่อยดูแต่ข้างนอก mm. ก็เลยทําให้เราหลงอย่างไงพอหลงนั่นน่ะเนี่ยยึดมั่นถือมัน่นก็เรียกว่ายึดมั่นถือมัน่นไม่ได้เห็นของจริงที่ตัวเองมองไม่เห็นเลยจงรู้จักตัวเองคํานีิหมายว่าคนพกแก้วได้ในตัวท่านแก้วก็คือของดีที่สุด ในเมืองมนุษย์ก็คือเพชรนินจินดาต้องรู้จักตัวเองคำนี้หมายว่าค้นพบแก้วได้ในตัวท่านหานอกตัวทำใหม่ให้ป่วยการนี่พวกที่เที่ยวหาครูบาอาจารย์อะไรไปวัดนี้วัดโน้นวัดนั้ น, น, นล่ามันไปหมดหาทำใหม่นอกตัวให้ป่วยการ ดอกบวัวบานอยู่ในเราอย่าเข้าไปในดอกบวัวมีมณีที่เอกอดุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การตรัสรู้หรือรู้สิ่งใดๆล้วนมาจากความรู้ตัวสูงเองนี่ปัญญานี่คือตัวปัญญาเหมือนกับว่าในในอกของเรานั่น มันจะมีดอกบัว一朵หนึ่งเคยดอกบัวปัญญาีนดอกบัวปัญญานั้นมันมีแก้วก็คือเพชรนั่นแหละดอกบัวปัญญานั้นเราปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติให้ดอกบัวที่มันพุ่มพ่มอยู่นั้นให้ดอกบัวนั้นมันบานบานบานบานพอบานแล้วเราจะเห็นว่าในกลางใจดอกบัวนั้นมีแก้ว ก็คืออเพชรเนินจินดานั่นแหละแต่ว่าเพชรเนินจินดาที่นี้เป็นเป็นเครื่องหมายว่านั่นน่ยคือปัญญาที่สูงสดุดนั่นก็คือสุญญตานั่นแหละพอดอกบัวบานนี้ก็จะเห็นสุญญตาอยู่กลางดอกบัวเอนี่เราจะเห็นว่าพระพุทธรูปอที่ ร, รอทองเหลืองทองแดงทองคำนี่พิเกตของท่านทําเป็นดอกบัวได้ไหมดอกบัวตูมยังไม่บานแต่ถ้าหากว่าของสีลังกาเนี่ยเขจะทําเป็นสามเงี่ยงสามเงี่ยงเหมือนกับอะไรก็เรียกเหมือนหอกเหมือนหลาเหมือนอะไแต่ว่าสามเงี่ยง ไปในธรรมมันอธิบายออกอะไรเราก็ไม่รู้คนเีิลังกาที่หลวงพ่อดูแล้วสามเอี่ยงนั้นคือพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยอันนี้อย่างของเซนก็สามเหลี่ยมแต่ไม่สามเหลี่ยมนพระพุทธประธรรมประสงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมพระรัตนตรัยสามเหลี่ยมเออสี่เหลี่ยมก็คืออริยสัจสี่สามเหลี่ยมก็คือพระรัตนตรัย ทีนี้วงกลมกวดสุนตานั่นของเส้นของเส้นแล้วของสีลังกานั่นเป็นเป็นตรีศูนย์อย่างนั้นตรีศูนยกน์นนย ก, นนก็เกิดเหมือนกับงอกหรือที่มันกลมคมอ่ะเนียมันเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามสามดอกเหมือนสามดอกมันมีสามเล่มเอาไปนั้นเอาไปมัดรวมกันอย่างนั้นอยู่ที่ ศีรษะของพระพุทธเจ้าอทีนี้ก็อย่างในประเทศไทยของเราก็ทําเป็นเปลวเพลืองเปลวเพลืองเป็นหน้าเนดูธรรมดาเป็นเปลวเพลืงสําหรับที่จะเผากิเลสนาเลวเพลืงแห่งปัญญานั่นแหละเห็นอะไรก็เผาหมดเห็นอะไรก็เผาหมดไม่ยึดมัน่นถือมันอะไรทางนั้นเป็นยอดอันนั้นแหละคือเป็นยอดนี่นเราจะเอาแบบไหนก็ได้ นี่เรื่องของความว่างเพราะฉะนั้นความว่างนี่เราปฏิบัติให้ถึงให้จิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความว่างถ้าจิตพบกับความว่างจิตเป็นความว่างเราก็เห็นทั้งหมดในโลกนี้เห็นโลกว่างโลกนี้มันไม่มีอะไรเลยเพราะทุกอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ แม้อนาตานี้ก็ยึดมั่นหือมันไม่ได้เพราะอนัตตาและก็สุญญตาเห็นทุกอย่างก็เลิกยึดมั่นหือมันคืเ อ, อเห็นตามความจริงนั่นแหละเห็นจริงนั่นแหละเห็นตามความจริงแต่ต้องเห็นด้วยปัญญาไม่จะเห็นด้วยอวิชชาอาวิชชาคืออ า, อาจารย์ของความโง่อาจารย์ใหญ่ของความโง่ แต่สุนยตาหรือปัญญานี่นี่คือควายที่ถูกต้องอีกฝ่ายหนึ่งไม่ถูกต้องมันมีควายถูกต้องกับควายไม่ถูกต้องถ้าเราเห็นเราได้ยินเราเลี้ยมรดเราสัมผัสเรารู้อารมณ์ที่มากระทบปัญญาก้าปจัดการถ้าปัญญาไปจัดการแล้วก็เลิกความยึดมั่นถือมันนั้นไม่เป็นทุกข์ ไอ้ถ้าความโง่ก็ไปจัดการโง่ทันทียึดมั่นถือมั่นทันทีเนี่ใช่ ไ, ไ ม, มันเป็นสองขวาย่อยอย่างนี้การเราต้องสะสมปัญญาทําจิตให้นิ่งก่อนทําจิตให้นิ่งก็เรียกว่าสมาธิจากสมาธิเราก็ใช้พิจารณาพอพิจารณาแล้วปัญญามันก็เกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิด พิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปแล้ว mm. ก็เกิดปัญญาเอากเกิดปัญญาปัญญานั้นเนี่ยว่ายรับแขกเวลาแขกมันมาทางตาก็ามาทางหูก็ามาทางจามูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจเนี่ยมันแอบมาเราไม่รู้ตัวเราไปยึดมั่นถือมั่นมันแล้วเราก็เป็นทุกข์แล้วมันมาทางตามาเป็นรูปเราก็อ่านมันออก ไม่ยึดมั่นถือมันมาทางหูมาเป็นเสียงก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นมาทางกลิ่นมาที่ประสาทจมูกเสร็จ แ, แล้วเราก็เลิกไม่ยึดมั่นถือมันเห็นว่ามันเกิดดับความหอมความเหม็นก็คือการเกิดดับนี่ก็ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงทางลิ้นรู้สึกอร่อยไม่ยึดมั่นถือมัน ูราจะไม่อร่อยไม่ยึดมัน่นถือมันอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงนั้นไม่ใจอะไรเลยเราเลยต้องระวังยังไง ร, ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องระวังระวังคือไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายเพราะเราเห็นความจริงเพราะมันเกิดดับความหอมก็เกิดดับความสวยก็เกิดดับความงามก็เกิดดับ ความอร i, ่อยก็เกิดดับไม่อร่อยก็เกิดดับมันมีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันไม่มีตัวตนจริงในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ของจริงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมก็ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงกับไม่ใช่ของจริงแต่แล้วเราไปคิดว่าจิตเป็นของจริงไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของจริง ตามที่จริงมันทำงานเป็นกระบวนการนี่ไอ้ซิกซ็ของธรรมชาติมันทำงานเป็นกระบวนการแก่หูกู้กับเสียงอย่างนี้หูต้องมีประสาทหูประสาทหูก็นำไปจูประสาท่วนกลางไปรายงานให้ประสาททวนกลางแล้วมันเก็บเอาไวเ้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เราคิดว่าของจริงเนี่ย ธรรมชาติมันหลอกเก่งเหมือนกันเราคิดว่าจริงเราคิดว่าสวยจริงงามจริงอะไรจริงดังนั้นเราจะต้องใช้ประสาทพิเศษพิจารณาอีกทีหนึ่งเสียงที่เราฟังนี้หลวงพอ่อเขพูดออกไว้ไอ้ที่พูดออกไว้นี่นะมันมาจากประสาทส่วนไหนก็ไม่รู้จะเป็นส่วนกลางมากกว่าเพราะจุดส่วนกลางมันอยู่ตรงนั้นเซนเตอร์นะ่ะ เวลาหลวงพอ่อหลวงพ่อพูดอย่างนี้แหละก็เรียกว่าวิตกวิจารณ์มันออกมาทางท้ายถอยเนี่ยออกมาจากเส้นที่ท้ายถอยแค่มันเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ที่มองเห็นนี่มาเป็นขาวๆเหมือนกับเส้นได้อย่างนั้นะก็ไหลออกมาไหลออกมาเหมือนกับเส้นขนมจีนยาวๆอย่างนั้นน่ แล้วก็ตัดเป็นคำพูดตัดเป็นคำเป็นคำเป็นคำเป็นคำเหมาะนเราทาขนมแล้วเราเอามาตัดเป็นคาเป็นคามองเห็นเห็นข้างนหน่นมันเห็นข้างไหนเห็นข้างไหนมันออกเป็นคำเป็นคำเป็นคำพูดนี่ก็เรียกว่าวิตกวิจาร์วิตกวิจารเนี่ยมันออกมาอย่างนี้นี่มันเที่ยงที่ไหนมันก็ไม่ใช่ของจริงนั่นแหละ ไม่ใช่ของจริงมันเป็นอย่างนั้นคือมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเอาทีนี้พอหลวงพ่อพูดออกไวายโยนเขาได้ยินเอา้ามันไม่ได้ต่อสายควายเลยไปที่หูโยมเลยมันไปยังไงอ่ะก็มันมีไฟควายคว้าแบบ อ, ตตอัตโนมัตินี่แหละเพราะโลกนี้มันหมุนนี่แต่พอมันหมุนก็ทำให้เกยดควายคว้าขึ้นมา อแต่นี้ควยคว้านี่แหละไม่ต้องจ่ายสายโยงก็มีเครื่องฟังหลวงพ่อมีทั้งเครื่องฟังอมีทั้งอในอากาศนี่ก็มีควยควา้าตามปกติก็ไม่เห็นว่าวิเศษวิษวโสอะไรมันดับทุกไม่ได้ไปยิดมัน่นถือมันมันทำมทไม่ยเียงไ้รู้แค่นั้นเองนี่เรื่องของตาเรื่องของหูเรื่องของจมูกลิ้นกายใจ เรื่องของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสของอารมณ์ที่เราเก็บเอาไว้แล้วมันจะออกมานี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนื้อว่าเสียงที่ออกไปนี้มันออกไปมองเห็นว่าเหมือนควันเลื่อยอย่างนั้นเหมือนฟันเลื่อยมันก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเสียงนะไรมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นสายไปแล้วข้ากมา ที่หูหูมันก็มีประสาทสําหรับที่จะรับเสียงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปมันก็เข้ามาทางตาห น, นี่ตาเราก็มีประสาทตาทีนี้มันเข้ามานี่มันเป็นซิกแซกซิกแซกซิกแซกซิกแซกซิกแซกนี่ันนี่นหะมันเห็นได้ทางนั้นเนี่ยมันรู้ได้ทางนั้นรู้ได้เห็นได้อะไรได้นี่คือการทํางานของธรรมชาติ เรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจรับแล้วก็ส่งไปสมองแต่สมองของเราถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าดีว่าสวยว่างามไม่สามารถที่จะแยกได้ก็เก็บเอาไว้นั้นพ อ, อนั่งสมาธิเผลอๆ เ, เดี๋ยวมันก็ออกมาหเห็นนี่พอเผลอๆครึ่งหลับครึ่งตื่นอะไรอย่างนี้ ไม่ใจของจริงทางนั้นเลยไม่ใจของจริงทางนนั้มันมีแต่เรื่องที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนี้เราต้องต่อยอดมันทางตาเกิดดับเพราะมันเห็นรูปตาเกิดตาดับตาว่างว่างจากตัวตนคือจิตนั่นแหละจิตว่างไม่ยึดมัน่นถือมัน่นตาเกิดตาดับหูเกิดหูดับ จมูกเกิดจมูกดับลิ้นเกิดลิ้นดับกายเกิดกายดับใจเกิดใจดับนี่ถ้าเราทำเป็นวงจรตาเกิดตาดับเรามีตาหน่อยมากกว่าตานี้ตาเกิดตาดับตาว่างนั่นตานี้ว่างเราไม่ยึดมัน่นถือมันวมันเป็นของจริงตาเกิดตาดับตาว่างก้อนนั้นไม่มีตัวกูแล้วอย่างนั้น ตาเกิดตาดับตาว่างรูปเกิดรูปดับรูปว่างเพราะมันว่างนี่เกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างเนี่ยโอ้เกิดโอ้ดับโู้ว่างไม่ยึดมันหรืมันนี่เราใช้ปัญญาเข้าไปจับที่ตัวนั้นไปจับที่ตรงนั้นที่มันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับมันเป็นเหมือนกับกวนเลื่อยนะมันซิกเซ็ซิกเซ็คซิกเซ็คซิกเซ็คอย่าง ตาเกิดตาดับตาว่างรูปเกิดรูปดับรูปว่างจากกูวิญญาณความรู้สึกทางตาเกิดความรู้สึกทางตาดับความรู้สึกทางตาว่างวิญญาณน่วิญญา ณ, ญญาณเห็นไหมนี่คือธรรมชาติมันทำงานอย่างนี้เรายิ่งปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราก็จะเห็นของจริงทีนี้พอเห็นของจริงอย่าไปยึดถือมันเลยมีอะไรเกิดขึ้นนี่ ทีนี่เราเรียนมากยากนานพระพิจารุรูปหนึ่งชื่อว่าพระโปติละเรียนมากสมัยพุทธการเรียนมันหมดอรไรทุกอย่างก็รู้หมดไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติตทีนี้โปติละนี่แปลว่าไบลานเปล่าไบลานเปล่าโปติละนั่นไบลานเปล่าทีนี้พระพุทธเจ้าพระองค์รู้แล้ว ทำไมไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านรู้ด้วยญาณญาณคือตัวรู้จากกุอุตาปาทิจากตู่เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณอังอุตปาทิญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาอุตปาทิปัญญาเกิดขึ้นแล้วแต่เราวิจาอุตปาทิวิจาเกิดขึ้นแล้วแก่เราอาโลโกตปาทิโลกว่างอุตปาทิคือโลกว่างนั่นทีนี้เพระพระโพธิละ แกคงจะถึงเวลาเมื่อวันนั้นถ้าเปรียบสมัยนี้ถ้าเป็นพระก็เท่ากับว่าได้ไประโยน์เก้าประโยชน์แต่ถ้าเป็นโยมเปรียบเทียบนะเป็นด็อกเตอร์ใครจะมาสอนกูไม่ได้กูรู้หมดแล้วอย่าไปนั้นเลยอะไรก็ไม่ได้ทางนั้นแต่เสร็จแล้วดับทุก์ไม่ได้เลยนี่ได้ยึดมั่นถือมัน่นทีนี้เป็นอย่างหนึ่ง ข้าวไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าโพติละนี่แปลว่าไบลานเปล่าไบลานเปล่าโอ้คุณไวลานเปล่าเดินมาแล้วคุณไบลานเปล่านั่งแล้วคุณไบลานเปล่ากราบแล้วเี้ละอายทีนี้บรบลานเปล่านี่ได้แต่ฟังได้แต่ควังได้แต่รู้แต่ตัวหนังสือรู้แต่ไอ้ปาษา มากดภาษาบาลภาาีภาษานั้นภาษานี้ได้แต่รู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติในคาถาก็บอกว่าเหมือนจะวักจะวักที่เขาทำกับกะลามะพร้าวนั่นเหมือนจะวักอยู่ในหม้อกแกงไม่รู้รสไม่รู้ชาติอะไรเลยเหมือนจะวักอีนี้เป็นยังไงเรา คนวันละคุณใบลานเปล่ามาแล้วคุณใบลานเปล่ากราบแล้วคุณใบลานเปล่าลุกขึ้นแล้วอะไรอย่างเนี้ยแกก็ละอายใจถ้าอายใจก็มาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคุณต้องไปหาครูใหม่เนี่ยก็เลยไปหาครูหาครูก็ไม่มีใครเท่าแล้วก็ไม่มีใครเอ า, าหาสามมันเอง ธรรามาเนอายุกี่ขวบก็ไม่ทราบทีนี้เอาแล้วอาจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่เรียนจบตั้งสองเก้าสิบแปดประโยคแล้วได้ผมสอนได้อย่างไรแต่มาเชื่อผมอผมเชื่อผมเชื่อเนนดังนั้นเลยตอนนี้เชื่อเนนทังนั้นเลยอ่าถ้าเชื่อก็เอาทีนี้บอกว่ามามามาถังนี้มาทางนี้อาพอไปตามเนนไป เน้นบอกว่าเอา้าลงในสระน้ําแกก็ลงไปในสระน้ำํำลงไปตรงกลางสะก็ลงกลางสะเอาดําน้ําลงอ๋อดำน้าเห็น ไ, ไหมดาน้ํอาอแกก็ดําน้ําทํำยังไงทีนี้เนี่ยอา้าขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ทีนี้มาถึงหัวปลวกพอถึงที่หัวปลวกมันมีช่องอยู่หกช่องกลางในมันมีเฮียอยู่เนี่ยช่องที่เฮีก้าวออก เดี๋วันนี้หกช่องนี้ถ้าจะจับเฮี้ยทํำยังไงก็ต้องอุดรูนี่แต่อุดรูเดียวมันก็มีช่องโน้นเอกช่องนี้ออกช่องนั้นก็ออกได้ออกได้หมดทํายังไงทีนี้นเนนก็สอนบอกว่าท่านจงอุดจากห้าช่องตาหูจมูกลิ้นกายออื อ่าหูจมูกลิ้นกายเรืออีช่องนึ่นคือใจจากนั้นท่านไปปฏิบัติปฏิบัติว่าเรือช่องเดียวต้องจับพี้นให้ได้แล้วจับมันยังไงจิตไม่ใช่กูจิตไม่ใจกูจิตไม่ใ่กูจิตเกิดจิตดับจิตว่างจิตเกิดจิตดับจิตว่างจิตเกิดจิตดับจิตว่างดูที่จิตอย่างเดียวดูที่จิตอย่างเดียวเพราะอะไรมันมาจากจิตดังนั้น พ็จับได้พอจับจิตได้นี่ทำยังไงทีนี่นี่แหละจับจิตล้วโอ้จิตนี่มันไม่ใช่เราแต่มันเป็นอะไรเป็นธรรมชาติถ้ามันไม่เป็นธรรมชาติหน้าตาลักษณะมันเป็นยังไงไม่มีใครบอกได้เลยนั่นมันเป็นธรรมชาติที่ว่างจากตัวตนแต่ว่าไอ้ตัวกูที่มันเรียนมากแต่มันรู้มากเอาจิตที่ไม่มีตัวตนนั่น มาเป็นจิตกูพอมาเป็นจิตกูเดี๋ยวมันแสดงอย่างนั้นเดี๋ยวสแสดงอย่างโน้นเดี๋ยวแสดงอย่างนี้เพราะมันไม่มีลักษณะจริงเลยฉะนั้นยึดมั่นถือมันไม่ได้จิตนี้อยา่ากล้าไปยึดมั่นถือมันมันเพราะมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติรู้ธรรมชาติรู้แล้วก็ว่างจากตัวตนมันเป็นธรรมชาติที่ว่างจากตัวตน เว่ามันเป็นธรรมชาติที่ว่างจากตัวตนแล้วมึงเอามาเป็นของกูได้ยังไงนี่แหละพระกเนิีพระที่เรียนมากดั น, นั้นโยมที่เรียนมากก็ต้องระวังรู้มากก็ต้องระวังระวังตรงหน่อยรู้มากก็ดีเรียนมากก็ดีแต่เรียนแล้วเอามาปฏิบัติรู้แล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วเกิดปัญญาแล้วอะไรแล้วดับทุกได้นี่ดับทุกได้แต่รู้มากยากนานเนี่ยมันดับทุกไม่ได้แค่นั้นเราต้องเอาที่จริงเอาจริงนั่นแหละอุดให้หมดรูเหี้ยีเหี้ยมันเข้าไปอาศัยห้าช่องหกช่องจับทางนี้ก็ไปออกทางโน้อนอุดทางโน้นไปออกทางนั้นนี่ไม่ได้ไม่ได้ ฉะนั้นอย่ารู้มากยากนานต้องให้เน้นสอนเห็นกไหมต้องให้เนนสอนต่อมาก็พระโพธิละเป็นพราหลานเลยรู้เรื่องจิตอย่างเดียวรู้เรื่องจิตเพราะเรื่องทุกเรื่องนี่ยทางตาก็มีวิญญาณต่างตานั่นคือจิตมีวิญญาณทางหูก็จิตมีวิญญาณทางจมูกก็จิตเข้าไปจิตทั้งนั้นวิญญาณไปว่าตัวรู้ แต่ว่ารู้ไม่จริงอันนั้นคือรู้ไม่จริงวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางเลี้นทางกายทางใจวิญญาณที่ขาดปัญญามีแต่อวิชชาขาดปัญญามีแต่อวิชชาคือตัวโง่รู้เพื่อโง่รู้เพื่อโง่เพราะอาวิชชามันเข้าไปครอบงําจิตจิตตัวเดียวนั่นแหละแต่อวิชชามันกล้าไปครอบงาําแก่มันทําหน้าที่ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันทำหน้าที่หมดแต่ว่าทำหน้าที่โดยการข้าวไปยึดมั่นถือมันมันไม่เห็นความจริงเห็นไหมไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่เห็นขันธะไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทมันก็เลยตาบอดจิตนั้นเป็นจิตตาบอดนี่เห็นไหมดัง น, นั้นเราต้องปฏิบัติจริง เ, เอาตัวจริงตัวจริ ง, ต, รงต้องปฏิบัติจริง ศึกษาจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงรู้จริงดับทุกข์ได้จริงเพราะปัญญาตัวนั้นดังนั้นปัญญานี่มีสู่ตามย์ปัญญาปัญญาที่เกิดจากการควงังควังแล้วเอาไปคิดเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนนี่ยเรียกว่าจินตามะยะปัญญาเอาไปคิดภาวนามย์ปัญญาปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติด้วยการภาวนา เราเดินจงกรมไปไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูมันก็ย้อนเราเรื่อยแหละเราเดินคนเดียวก็ได้หลายคนก็ได้ปิดตามันย้อนเราเราภาวนาว่าไม่ใจกูมันก็ย้อนไม่ใจกูแล้วใครเนี่ยที่เดินอยู่นี้นานพอเรานั่งไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูมันย้อนอีกแล้วใครที่นั่งน่ะไม่ใจกูเราต้องตอบมันได้ถ้าเราตอบไม่ได้ มันเคี่หัวเรานี่แหละมันเอามือห้านิ้วเนี่ยมันเคี่ยงหัวเราเนีนี้ไม่ใจกูไม่ใ่กูไม่ใจกูไม่ใช่ ก, ช ก, ชกูยืนเดินนั่งนอนไม่ใจกูพอภาวนาเมย์ปัญญาถึงขั้นมันก็โปร่งออกมาโอ้นี่จับได้แล้วจับได้แล้วเฮียตัวนี้จับได้แล้วแผนไหมนั่นแหละพอเราปิดรู้มันหมดปิดช่องมันหมด ตาหูจมูกลิ้นกายห้าช่องเหลือไว้ช่องเดียวพอพอจับมาถึงมาศึกษามาเรียนรู้เอานี่จิตเองก็เกิดดับเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างกากัวตอนเอามันก็ไม่จริงนี่จิตเองก็ตกลงว่ามันไม่ใช่ของจริงนี่โยมจึงชีทุกคนที่ไม่ใช่ชีไปเรียนรู้เสีย จะเป็นปรเรียนก้าวประโยคน์หรว่าจะเป็นด็อกเตอร์ต้องเรียนรู้อันนี้ไม่อย่างนั้นก็คุณโบาลานเปล่ทาทั้งนั้นแหลต้องเอาที่ตรงนี้มันจึงจะได้ประโยชน์ในการที่เรามาบวชมาเรียนมาศึกษามาปฏิบัติถ้าไม่รู้สิ่งนี้ก็คือไม่รู้ทั้งหมดถ้ารู้สิ่งนี้ก็คือรู้ทั้งหมดเห็นไหมจิตว่างนั่นแหละอยู่ที่ตรงนั้นเอาเวลาของการบรรยาย ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้